เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นชายโสดอายุสี่สิปีได้ทำพิธีมั่นและคู่มั่นของเขาชวนเขาให้หัดเต้นรำแบบต่างๆซึ่งเป็นแบบใหม่ที่กำลังนิยมกันพระเจ้าย่อมรู้ดีว่าผมต้องการเรียนเต้นรำเพียงใดเขาสารภาพขณะเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังเพราะผมเต้นเป็นเฉพาะแต่แบบเก่าๆซึ่งผมเคยหัดเมื่อยี่สิบปีมาแล้ว แม่ครูคนแรกที่ผมจ้างมาสอนบอกความจริงแก่ผมหลอนบอกว่าผมเต้นผิดทั้งหมดผมจะต้องลืมวิธีเต้นเก่าๆเสียให้สิ้นและมาเริ่มต้นเรียนกันเสียใหม่คำพูดของหลอนทำให้ผมใจฟอ ผมหมดกำลังใจที่จะเกิดความภาคเพียนต่อไปอีกเหตุนี้เองผมจึงเลิกหัดกับแม่คนนี้แม่ครูคนต่อมาอาจจะเป็นคนโกหกเก่งก็ได้แต่ผมชอบหลอนมากหลอนบอกผมยังไม่เห็นเป็นของสำคัญว่าวิธีเต้นของผมออกจะล้าสมัยไปเล็กน้อยแต่ถูกหลักถูกเกณฑ์ดีและหลอนให้ความมั่นใจแก่ผมว่าไม่ลำบากเลยที่ผมจะเต้นสเต็ปใหม่ๆสักสองสามสเต็ป ครูคนแรกทำลายกำลังใจของผมด้วยการกล่าวเน้นถึงความบกพร่องของผมส่วนครูคนใหม่กลับทำตรงกันข้ามหลอนชมเชยสิ่งที่ผมทำถูกและพูดถึงสิ่งที่ผมทำผิดคล้ายกับว่าเป็นของเล็กน้อยคุณมีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรีที่มากหลอนให้ความมั่นใจแก่ผมคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นรำแทๆ้ๆอย่างไรก็ตามสามัญสำนึกของผมบอกว่า ผมเพียงแต่เคยเป็นและจะเป็นนักเต้นราชั้นสวะเท่านั้นแม้กระนั้นผมอดคิดทบทวนไม่ได้ว่าการที่หลอนชมผมเช่นนี้หลอนอาจจะพูดด้วยความจริงใจแน่นอนผมจ่ายเงินค่าจ้างให้หลอนซึ่งหลอนน่าจะพูดประจบผมแต่ทำไมผมเอามันมาคิดแล้วคิดอีกก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามถึงหลอนไม่บอกผมว่าผมมีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรี ผมก็พยายามให้เป็นนักเต้นรําที่ดีกว่าเก่าอยู่เหมือนกันแต่คําพูดของหล่อนให้กําลังใจแก่ผมให้ความหวังแก่ผมและให้ความตั้งใจแก่ผมที่จะเรียนให้เต้นดียิ่งขึ้นการบอกเด็กผัวเสมิเียนพนักงานว่าเขาโงา่หรือทึ่มในสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือเขาไม่มีพรสวรรค์นในงานนั้นๆและที่เขาทําไปล้วนแล้วแต่ผิดแปลว่าท่านได้ทําลายโดยสิ้นเชิงต่อสิ่งที่จะกระตุ้นให้เขามีความภาคเพียรเพื่อทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ท่านควรใช้เทคนิคตรงกันข้ามท่านจะมีใจกว้างด้วยการให้ความสนับสนุนกำลังใจแก่เขาท่านจงกระทำในสิ่งที่จะส่งเสริมให้เขาเห็นว่าเป็นของง่ายในการปฏิบัตินั้นๆท่านจงแสดงให้เขารู้สึกว่าท่านมีความเลื่อมใสในความสามารถของเขาความสามารถซึ่งเขามีแววแต่เขายังไม่ได้นำออกมาใช้ผลก็คือเขาจะพยายามปฏิบัติสิ่งนั้นๆเพื่อเอาชนะมันแม้จะต้องใช้เวลาตลอดคืนก็ตาม นี่คือเทคนิคซึ่งโรเวลทมัสนำมาใช้ข้าไเจ้าขอรับรองว่าเขาผู้นี้มีความรู้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องความเป็นไปของมนุษย์เขาสามารถปั้นท่านขึ้นมาเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้ท่านเขาสามารถกระตุ้นให้ท่านเข้มแข็งขึ้นโดยสนับสนุนและแสดงความเลื่อมใสเป็นต้นว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าไเจ้าใช้วันปลายและต้นสัปดาห์ไปพักผ่อนกับโรเวลทมัสและเมียครั้นตอนค่ำของคืนวันเสาร์ข้าไเจ้าถูกเชิญให้เล่นไพ่บิด สนุกสนุกที่โต๊ะข้างกองไฟซึ่งกำลังลุกแดงไพบ่บิดข้าพเจ้านะหรือจะเล่นไม่ละไม่อย่างเด็ดขาดไม่เอาแน่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้อย่างใดเลยเกมนี้เป็นสิ่งลี้ลับอันแสนมืดสำหรับข้าพเจ้าไม่เอาไม่เอาเป็นไปไม่ได้มาเล่นกันเถอะเดลมันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้กลเม็ดอย่างใดเลยโรเวลพูด การเล่นบิดไม่ใช่เป็นของลําบากเพียงแต่ใช้ความจํากับการตัดสินใจเท่านั้นเองคุณเคยเขียนไว้ในบทหนึ่งในหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องความจําบิดจะเป็นของกล้วยๆสําหรับคุณมันเหมาะกับคนที่มีแนวความคิดอย่างคุณและในทันทีทันใดเกือบจะไม่รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าทําอะไรลงไปบ้างข้าพเจ้าพบตัวของข้าพเจ้านั่งลงที่โต๊ะไพ่บิดเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการบอกกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีแววตามปกติธรรมดาของข้าพเจ้าในเกมนี้และเกมนี้เป็นของง่ายสำหรับข้าพเจ้านั่นเองพูดถึงการเล่นไพ่บริตเตือนข้าพเจ้าให้ระลึกถึงเอลายคันเบิร์ตซันชื่อของคันเบิร์ตซันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตามบ้านที่เล่นไพ่บริตทุกขนทุกแห่งและหนังสือหลายเล่มของเขาเกี่ยวกับการเล่นไพ่บริตได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง12ภาษาและขายไปแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านเล่มแม้กระนั้นเขาบอกข้าพเจ้า ว, ว่า เขาจะไม่สามารถใช้เกมนี้เป็นอาชีพได้เลยถ้าหญิงสาวผู้หนึ่งมีได้สนับสนุนว่าเขามีแววในทางนี้เมื่อเขามาอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อคิเตศกราช1922เขาพยายามหางานครูเพื่อสอนปรัชญาและสังคมวิทยาแต่เขาหางานนี้ไม่ได้ครั้นแล้วเขาพยายามขายฐานหินผลก็คือเขาพบความล้มเหลวในงานนี้ ครั้นแล้วเขาพยายามขายกาแฟผลก็คือเขาพบความล้มเหลวในงานนี้เช่นเดียวกันในสมัยนั้นเขาไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นครูสอนการเล่นไพ่บริดเขาไม่เพียงแต่เป็นนักเล่นไพ่บริดฝีมือเลวหากยังหัวดื้อหัวรั้นอีกด้วยเขาชอบตั้งคําถามร้อยแปและแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงที่สูดคําตอบซึ่งเป็นเหตุให้ไม่มีใครอยากเล่นกับเขาครั้นแล้วเขาได้พบครูสาวสวยสอนไพ่บิดโยเซ ฟ, ฟินดิวันหลงรักหล่อนและแต่งงานกับหล่อน หลอนสังเกตเห็นถึงวิธีวิเคราะห์ไพ่อย่างถี่ถ้วนละเอียดละออของเขาหลอนจึงกระตุ้นให้เขารู้ตัวว่าเขามีแววของนักเล่นไพ่ที่เชี่ยวชาญจากการสนับสนุนกําลังใจอันนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคันเบิร์ตซันบอกข้าพเจ้าที่เป็นเหตุให้เขามีอาชีพในทางไพ่บริตดังนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองกฎที่แปดมีดังนี้ จงใช้การสนับสนุนกำลังใจจงทำให้ความผิดซึ่งท่านต้องการแก้ไขดูเป็นของง่ายที่จะแก้ไขจงทำให้สิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติเป็นของง่ายที่จะปฏิบัติ